มรดคนสุขสันต์ิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสานไม่ตรีชายมานดวงรือไทยทุกดวงท่วงด้วยรกอกแรงศรัทธาปรารถนาในสิ่งเดียวกันความครางแรงหายไปโอบสดใสขึ้นมาอีกครา ฟ้าลังทนงามตาความมืดโรยรามลอยหายพรันมีแต่ความเข้าใจไอรักไม่ตรีต่อกันผ่านมานั้นรือมันลมไปร้องเธอ ร, รองเพลงกันประสานรอยรักในใจลบรอยร้าวภายใน จับมือกันไว้ดีกว่าหันหน้ามาเข้าใจกันอันคนเราทุกคนต่างเกิดมาควรพาพึ่งกันมีไมตรีสัมพันธ์โรคนั้นสดใสจง ม, มารวมพลังร่วมสร้างสงรรค์จันงโรงไทย จับมือกันเดินก้าวไปมงสู่จุดหมายอันาคตรเรามองแววตาทุกคนเปลี่ยมสุขร้นระคนสุขสันกินแยมเข้าใจกันตาสบประสานไม่ตรีชายมาดวงประทัยทุกดวงดวงด้วยพรักแรงศรนะัทธาปรารถนา ไส่ึ้นมาอีกคราฟ้ารัง้นงามตาความมืดโปรยรามารายหายปร่นมีแต่ความเข้าใจคุณไอรักไม่ตรีต่อกันผ่านมานั้นหรืมมันลบป